l o r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 ه า د า أ َ ن َา مُحَمَّدًا عبده ورسوله اللهم ب ِ ك َ أصبحنا و ب ِ ك َ أمسينا و ب ِ ك َ نحيا و ب ِ ك َ نموت و ِ ل ْ ك َ ا ل نشور أعوذ ب ِ ك َ لِمَاتِ اللَّهِ تَامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ م َ عَسْمِهِ الل شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا أ َ ب و َ سَمِيعُ الْعَلِيمِ ร่ดีดุ ل บ ا ลอัลลอฮฺรั ب บ م วบิอิสลามดีนอวบ ا ม ل ل ัมมัดรัสูละอาลลอฮ و มะ ب ินีอ้างุบบิค์บ ل นะล์คัซล ا วัสู ب ิ ا คิบร์รับบะอ้า ب ุบบิค์บินะดาบินฟินนารีวะดาบินฟินล์ سبحان الله ฮฺ م บ د ฮั د ดีฮีอาดัลขัล ه วจินะอารชีฮิวมิดาดคัลิมัติฮิยา حي วยา قيوم ดีร่ำมัติกา أستغيثأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس ضرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสบอท มัสยิดของอัลลอ์นะครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับซีที่อยู่ที่บ้านทุกทุกท่านด้วยความเมตตาจ่ออัลล์สุบฮาวตาละนะครับที่อัลลอ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้เวลานอนไม่หลับเนี่ยทำไงเวลานอนไม่หลับเนี่ยนบีสั่งให้ขอดัว นะครับให้ขอดูอาการขอดูอาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นนะเป็นเรื่องดีด้วยนะขอดอานอนไม่หลับเนี่ขออย่างไะเคยจําปล่าหรือว่าหลับทุกคืนจะมีละแต่ละคนนะจะมีนะปีๆจะมีสักครั้งสองครั้งสามครั้งนอนไม่หลับนะครับที่ท่านนอนไม่หลับให้ขอดูอาดูอาที่ท่านอบีอ๊ยศ Allahu um ma ติ r a t i n um, oon, um, uh n ว j u n w a อ a ติล t ุย a u อันต n t a h a น u n k ล y u m า a t a ู h u d h u m น i n a t u n w a l a n a ิ m i h ี i laili wa นีเดี๋ยววันหลังแปลให้ฟังเวลาจำจัด <c oughs> นี่เป็นถวาถ้านอนไว้หลับอ่านอย่างนงี้สักห้าเที่ยวสิบเที่ยวเจ็ดเที่ยวเดี๋ยวหลับพี่จา ขอบคุณอ AH. ัลลอฮ์สุภาของเราที่ท่านนาบีเนี่ยมาสอนมาสอนสัฮาบะแล้วสอนพวกเราเนี่ยทุกเรื่องไม่มีเรื่องอะไรที่นบีไม่ได้สอนนะครับสอนหมดขอบคุณอัลลอฮ์นะครั บ, บ, AH, รบที่เราได้อ่านอัลกุรอานทบทวนอัลกุรอานนะครับแล้วก็มารู้ความหมายพอเล็กลน้อยเพี่น้องอย่างสุราอังกะบูดเนี่ยพี่น้อง สุรออ่างก บ, บูต์นี่ออลลอฮุมีอยู่หลายเรื่องนะหลายประเด็นมีอยู่ประเด็นหนึ่งพี่น้องที่ที่อะไรนะที่ที่ว่าสําคัญนะนะเช่นอะไรบ้างของที่ผ่านผ่านมาแล้วนะขอยกตัวอย่างเรื่องการเดินทางในกุณอ่านอธิบายบอกว่าฟาซิรูฟิลอาร์ดียุนัยที่เท่าไหร่อุสตาอิมรอน ฟาซิรูฟิลอาดีจงบางคนแปลว่าท่องเที่ยวแต่บางคนแปลว่าเดินทางถามในอิสลามนะเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวน่ะมีไหมล่ะไม่มีครับแต่อิสลามมีการเดินทางฟาซิรูฟิลอาดีท่านทั้งหลายจงเดินทางบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นยังครับ อ, รอิจต์ที่เท่าไหร่อุสตานอิมรอน <ś led> จงเดินทางบนหน้าแผ่นดินของลายยะที่ย0สิกุลซีรูฟิลอาดีมุฮัมมัดเออจงประกาศให้ซอฮบ้านาบีหรือให้คนที่เป็นอุ ม, มาของนบีมุฮัมมัดรับทราบไว้ด้วยว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้เดินทางบนหน้าแผ่นดินนี่นะไมต่ต้องไปขึ้นไปอาวากาศรเอาเดินทางบนที่แล้วฟิลอาดี แล้วก็ฟังดูรู้ให้มองไอ้มองเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญาเองเราก็ไม่รู้ว่ามองอะไรบ้างพอเปิดตัเซตหลายหลายเรื่องที่ตำเซตกูตัว บ, บี้เขา อ, อธิบายว่าให้มองนะโกเรื่องสบายไหมละ่ะเราไม่ต้องมานั่งคิดเองวลามาเขาจัดให้เรียบร้อยหมดแล้วให้มองโกเรื่องเรื่องทีหนึ่งให้ดูว่าประชากรโลกเนี่ยตรงนั้นนะ่ะเยอะหรือน้อยยัง เรื่องที่สองอิลาฟูอัลเซนาทิหิมเรื่องภาษานี่ที่เล่าเนี่ยพอผมไปยะลามาประชากรที่นั่นเยอะไหมเยอะครับแล้วภาษาเป็นไงมันจะภาษาไทยครับเป็นภาษามลายูแต่ส่วนใหญ่พูดสองภาษามลายูกับไทยข้อที่สามว่าอัลวานิหิมสีผิวเป็นยังไงก็สีผิวเหมือนคนพวกเรานี่แหละก็ะคนไทยเหมือนกันนะ แล้วข้อที่สี่ตัวบิอัดนิสัยตีบนิสัยของเขาเป็นยังไงกับพวกเมลยูด้วยกันถืสอสายก็อคล้ายกันใช่ไหมได้ข้อสรุปมานะแล้วก็ให้พิจารณาข้อที่5มาซากีนิฮิมที่อยู่อาศัยของพวกเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปมองดูตามที่อัลลอฮสั่งในกุรพารณาได้ความรู้ไม่ได้ครับแล้วก็ข้อสุดท้าย ไกฟะอละกหุมคือในอดีตนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยที่สถานที่ที่เราไปเนี่ยเคยถูกอัลลอท์ทาลายหรือเปล่าถ้าถูกทาลายก็แสดงว่าที่ตรงนั้ น, น, น, นเนี่ยอดีตเนี่ยนะในอดีตเนี่ยประชาชนตรงนั้นเป็นคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามพวกเรื่องครับนี่ใครใชี้นำ เหมือนกับอัลมะฮ์นะที่นําไว้แล้วบรรดามุฟฟัซซิลอัลมะฮ์ที่พูดเกี่ยวกับอิสลามเกี่ยวกับตัฟเซกุนอาเนี่ยเขอธิบายาว่าเราไม่ต้องมานั่งชายชายปัญญาอะไรเลยนะครับไปนอนก็วันนี้มาอายาที่ห้าสิบเกาอมามอ่านมุตตกี้เนี่ยแสดงว่าวท่องจาํามาทตนี้เวลาท่องต้องท่องให้มันจําก่อนให้มันแม่นนะเราเป็นอิมามอย่าไปอ่านตะกุกตะกักตะกุกตะกัก มาอุคนที่เขาเก่งกว่าเราไม่ไม <t une> ่มีเขากว่าเราอ้คานอัลลอนซบูวะลารบบิมยตวักลูนอัลลนซบูวะลารบบิมยตวักลูนอนี้ดีมากครับพี่น้อง ก่อนจะอธิบายยานี้ผมขอชี้นิดนึงว่าปัจจัยโลกอาคีเราอนกับปัจจัยโลกดุญยาไม่เหมือนกันตัวแทนโลกดุญยาเนี่ยมีสี่อย่างเท่านั้นแหละหนึ่งเงินสองชื่อเสียงสามเกียรติยศสี่ตำแหน่งถ้าไม่เลื่อนนะเลือกตั้งในวันที่ยี่ิบสี่กุมภาเนี่ยี่อย่างนี่แหละ วิงหาเงินกันตําแหน่งชื่อเสียงเกติยศเดี๋ยวก็มาเดินหน้าบ้านสวัสดีครับหาอะไรหาเงินหาชื่อเสียงตําแหน่งเกติยศนี่เป็นตัวแทนดุลยเทั้งหมดส่วนตัวแทนอาคิโรเนี่ยอิมานตะควายตีนอิยานอิคลาสนี่ไงสบัดสบัดแปลว่าอะไรอดทนอันที่สอง รับบิฮิมยาตาวกาลูนมอบความไว้วางใจไว้กับ a ลล a h เยอะๆนี่เป็นตัวแทนของโลกอาคิรอนหมดเลยขณะ น, นี้เรากำลังเรียนเรื่องจะทำยังไงให้หัวใจของเรานั้นโยงกับ a ลล a h ศุภานะหวบตาดาอังก็ดูอายะที่ห้าสิบเก้าอัลลัตนอซาบรู และบรรดาผู้ที่อดทนพี่น้องอดทนเนี่ยมีอยู่สามรายการนะคำว่าอดทนอดทนเนี่ยมีสามรายการนะหนึ่งอดทนในการถามความดีนี่มาลุกขึ้นนำะมาตะฮัตยุดเนี่ย้องอดทนไหมถามว่าเหยียบมารวมไหมอ๋อลลถ้าคนไม่เคยลุกขึ้นต่ฮตยุทเนี่มันขึ้นไม่ไว แล้วยิ่งแต่งงานใหม่ๆที่นอนนิ่มๆเมียสวยๆแอร์เย็นๆขึ้นไว้เหรอถ้าไม่เนี่อ้ตั้งแต่ตีชารเนี่ยขึ้นไว้มไหมต้องอดทนในการทําความดีมานั่งเรียนตับซีนี่บางคนก็นั่งแบบตวัดกัมีไหมมีครับต้อออกตั้งใจเรียนได้ประโยชน์เยอะบางหมดต้องอดทนไหมอดทนในการทําความดีข้อที่สองอดทนไม่ทำความชั่ว เรอที่สนะอดทนไม่ทาความชั่วนะเรื่องที่สาอดทนเมื่อพบกับความเดือดร้อนห้าโวยวาย อ, าอัลลอัลลตาลาเนี่นะเมตตามนุษย์คนที่เอาอิสลามนะเอาุรานเอาซุนานะนบีนี่อลัลลอเมตตาอย่างไงรนูะ้ใครที่ทาความดีหนึ่งเท่าหนึ่งอย่างอาลัลลให้กี่อย่างให้สิบทำานงได้สิบ เนี่ยอัมมันตัวทั่วไปแล้วก็นบีก็ไปขอทวงาต้ออลัอลอลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มากกว่าเนี้ได้ไหมอ่ะอัลลอฮ์ก็ประทานอัลกุรอาน ล, ลงมาคุณต้องบริจาคนะอ่าถ้าบริจาคแล้วเช่นอะไรบ้างใครที่ให้อลัลลอฮ์คอยือมุมายุครีดุลลอฮะกอรดอนฮัสซานาฟยุดลอิฟะฮุลลัฮูอัลลาฟังกัสีรอใครที่บริจาคอลัลลอฮ์จะ ใครที่ให้อัลลอฮ์คายุมเนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มรางวัลให้คุณเยอะให้เท่าไรไม่ได้บอกตัวเลขกลมๆนบีก็ขออีกอาอัลลอฮ์อยากได้ตัวเลขกลมๆจะได้เท่าไรจะได้ขยันมากขึ้นอัลลอฮ์ก็นบีขอแล้อัลลอฮ์ก็ช่วยหมดแล้วเอา้าอัมบัตัดสับอาสานาบิลาฟีกุณลิสมบุลาติมีอาตฮับบะคุณบริจาคฉันให้เจ็ดร้อยเท่า ตัว ต, ต้องบริจาคนะถ้าบริจาคให้เจรอยเท่าโดยอ้างว่ามเม็ดเมล็ดข้าวในนาคุณนะ่ะหวานไปเม็ดหนึ่งมันขึ้นมาจะมาต้นหนึ่งมีอยู่กี่รวงรวงอยู่7ร็รวงรวงละเท่าไห่รย่100อยหงรเวงเท่าไร 100, 100, 100, 700, ่7็ดรอนี่ไงตัวอย่างให้เห็นบนบนดุญญานนี่ได้ตัวเลขกลมๆไป แต่700็ดเท่านบบก็ยังไม่พอใจอัลลอจะขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมให้มากกว่าเจ็ดอัลลอฮ์ก็ให้อะไดเออยว่าทีแรกหนึ่งได้สิบถ้าต้องการมากกว่านี้ให้อะไรให้บริจาคต้องการมากกว่านี้ให้อีกแต่ต้องซอบัตอัลลอีนะซอบารูใครที่ซอบัตอดทนเนี่ยอยู่ว่าเฝ้านะ อยู่รอหุ่มเอาล็อจะให้รางวาัลมหาศาลเลยจะอดทนฉันอดทนใน่งานเป็นยิ่งใหญ่มากเลยฉันไม่มีอะไรในอิสลามที่จะดีเท่ากับอดทนอีมานแล้วก็อดทนอีมานแล้วก็อดทนสามีภรรยาไม่ทะเลาะ ก, กันถ้าอดทนอะะน่ะใช่ไหมนะแต่นี้ที่มันทะเลาะกันวันนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีอดทนผิดใจนิดหนึ่งโวยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อดทนเนี่ย มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อมาซิตอเป็นคนหวีผมลูกสาวฟาโรอีมานต่ออัลลอฮฺผ่านนบีมูซารู้ได้ไงว่าอีมานก็ตอนหวีผมหวีผมในหวีมันร่วงเอออะไรนะอัลลอฮฺอบับาร์เพราะว่าอย่างนั้นลูกสาวฟาโรก็ถามว่าเนี่ยเออเออชื่อใครนะไม่ได้เออชื่อพ่อฉันเหรอชื่อนาะอ้นต้องว่าอย่างงี้สินี่ไปเออว่าไงนะ อัลลอฮฺอักบร์เพราะว่าอย่างนั้นแหละลูกสาวก็ไม่พอใจไปฟ้องพ่อพ่อก็มาเลยเปลี่ยนนะ้ท่าไม่เปลี่ยนจับฆ่านะฆ่าก็ฆ่าสิจับลูกสาวสามคนโยนใส่ไรนะใส่น้ำมันเดือดจับลูกคนเล็กโยนใส่น้ำมันเดีนี้เด็กเนี่ยตอนอยุ่ต้องกินนมแม่เนี่ยแม่ก็กลัวแม่จะ สับสนเอาล้อให้เด็กนี่พูดได้บอกแม่อดทนถ้าเขาจะจับโยนใส่ใส่น้ำมันเดือดเชิญพอจับรูปไปแล้วสามคนพอจับนางมสิตโตโยนใส่นางนางตายวันที่นบีขึ้นเมียรอห่างกันกี่ปีเป็นพันๆปีนบีขึ้นแมรอศมาลาอิการิบรีนพาไป พาไปในที่แห่งหนึ่งพรเดินผ่านเข้าไปนี่กลิ่นมันหอมมันมาร้อนนบีท้าวยายิบรินญญรกลิ่นอะไรหอมเหลือเกินยิบรินก็เล่าบอกว่ากลิ่นของนางมาซีโตในสมัยของนบีมูมซาอะเลฮิสลาหถูกโยนใส่น้ำมันตายลูกสาวสามคนตัวเองถูกโยนเพราะนางซาบัตท้งว่าตะนารกอกับ อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ลลเห็นยังครับนบีไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยจันี่ถางของเนี่ยงานซาบัดเน่ยเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดยิ่งซาบัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะใครตำหนิบ้างว่าบ้างก็ปล่อยก็ว่าไปไม่ต้องโตตอบได้ไหมได้ถ้าเราเข้าใจศาสนาแต่นี่ถ้าที่โต้ตอบเยอะๆนะเพราะเราไม่เข้าใจศาสนากูต้งเอาชนามึงให้ได้แพร่ๆบ้างก็ได้เป็นอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อาทีนี้อัลลอีนัสาบารูและบรรดาผู้ที่อดทนอันลลอฮให้รางวัลเยอะนะอดทนเนี่ยตอนไหนก่อนตายหรือหลังหลังหลังหลังตายว่าตองก่อนตายตอนนี้แหละตอนเรามีความสามารถแข็งแรงที่มานั่งในมันสยิดได้วันนี้อัลฮัมดยลลีแหลต้องอดทนเยอะๆพี่น้องอดทนแล้วยังไม่พอนะ ว่า Allah รบบิหิมยาตวักกลุนอ l l a h รอบรับบนแปลว่าพระผู้อภิบาลและในพระผู้อภิบาลของพวกเขาพวกเขาทำไงครับยาตวักกลวากีลอะไรนะตวักกลหมายถึงมอบตนต่อลล l a h นี่นบีสัง่งให้เรามอบตนนะมอบตอนไหน ย, ยกตัวอยา่างง่ายๆนะ ก่อนจะทำงานอะไรนี่นะให้ประชุมกันก่อนอย่างอย่างในบ้านอย่างในบ้านเนี่ยมีลูกสองคนพี่พ่อมีแม่มีกี่กี่คนแล้วสี่คนนี่นบีสังนะแม่บ้านจะทำอะไรเนี่ยให้ให้ประชุมถามลูกกับลูกจะกินข้าวแกงอะไรแม่จะจัดอาหารให้ก็ถามที่ที่ประชุมถามพ่อโดยถามลูกๆอีกสองคน นี่นบีสังจะมีสักติ่บ้านที่ปะ ท, ที่ประชุมน่ะส่วนใหญ่ก็อง์ตามใจมะหมดนั่นแหละแต่คนฉลาดก็ต้องประชุมจะแกงอะไรดีหัวอะไรทําไงหรือจะมีงานงานใหญ่ๆจะทำกันต้องประชุมกันก่อนพอตัดผอประชุมแล้วตัดสินแล้วจะทําแบบนี้ให้มั่นใจให้ตวักกั้นเลยฉันมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์แล้วก็มั่นใจว่าทําต้องสำเร็จ แล้วก็ขอตัวอาต่ออัลลอฮ์พอตัดสินใจแล้วจะทำนี่อิสลามสอนแบบนี้ฉะนั้นเราเนี่ยต้องไว้ใจนะไว้ใจในนะอัลลอฮ์นะอ่าที่นมาถ้าเวลานี่ไม่ไว้ใจ <c oughs> อัลลอฮ์เหรออ่าถึงเวลาก็อ่านกูนอ่านซิกุรุลลอห์ไว้ใจอัลลอฮ์ทุกอย่างนะฉะนั้นการมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์วางไว้ใจต่ออัลลอฮ์แล้วอดทนนั้นเป็นงานศาสนาเป็นสเสบียงศาสนาเป็นปัจจัยโลกอ่ะคื แต่ต้องทําในโลกดุนยาเพื่อจะได้สแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์ในโลกอาคือเราห้ามดยละนี่อายาเดียวเดียวนั่งหลายครับอายานี้ก็ต้องการจะเตือนว่าให้เตรียมให้พร้อมอ่าบอกบอก<บ>ันนบีให้เตรียมไม่พร้อมแล้วก็บอกให้คนอ่านกุณอ่านเนี่เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวตายน่ะเตรียมยังไงอ่ะหนึ่งไอ้น้ำมาถ่ายเวลาอยู่แล้วอ่านกุณอ่านซิครูลอดถือสินอดฮะดิษ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่ะคนที่จะเข้าสวรรค์น่ะเนึ่งก็ได้บ้างให้ผู้จาดีๆใช่ไหมเอาต่อบริการลามผู้จาร์ดีๆกับภรรยากับลูกๆ ก, กับญาติพี่น้องกับยามาอาของตัวเองแล้วก็เลี้ยงอาหารกันแล้วก็ให้ถือสื้อดอยู่เป็นประจำวันจันทร์กับวันพรหัสแล้วก็ให้ลุกขึ้นนมัสการตอนกลางคืนขณะที่ผู้คนเขานอนกันเลาลุกขึ้นมา ถางวัางานว่นี้เป็นงานต้องทำด้วยความอดทนทั้งหมดแล้วก็ต้องมอบความวางไว้ใจไว้กับอัลลอฮ์สุบฮานาหูบะตาดาครับเอาต่อมาอายาที่หกสิบวกะไอมินดาบติลถามิลริซกะอัลลอฮฺยารซุกะไว้กับคุม وهو السميع العليم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. อายะนี้ต้องการที่จะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลละ์คนอื่นทำไม่ได้หรอกครับงานนี้งานริสกีเนี่ยงานริสกีเนี่ยอลัลละฮ์แปลว่าเครื่องยังชีพเนี่ยอลัลลอ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนให้สังเกตดูสัต <c oughs> ดาบะแปล ว, ว่าสัตสัตว์มีหลายชนิดสองเท้ามีแล้วก็ สามมีไมสามเท้ามีบ้ามีสี่เท้าสองเท้าสี่เท้าและที่ไม่มีขามีไหมมีมันใช่เลื่อย <c oughs> ลอเลื่อยใช่ไหมมันจะคลานอ่าเลื่อยเออมีอย่างสองขามีสี่ขามีสามขามไม่มีแล้วก็คลานมี <c oughs> ใช่ไหมอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสัตว์ประเภทเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺจัดสารริสกีให้ ดูดุกุณอานว่ากะไอิยิมมินดาบกไอิยินเขาว่ากะเนี่ยในคุณอ่านเขาว่าลามกสัมลามสาบานในตำสินยาลาเลนนะอายุนี่แปลว่าเท่าไรแปลว่ากรรม how many อายุเนี่ยว่ากาอิยินเนี่ยแปลว่ากี่มากน้อยมาแล้ว จำนวนมากมาแล้วเคยสังเกตไหมล่ะมินดาบะดาแปลว่าสัตว์สัตว์ที่อลัลลอฮ์สร้างมาบนโลกใบนี้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยสัตว์ที่อลัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยกี่มากน้อยมาแล้วลาตฮมิโลไม่ได้แบกไม่ได้หิว้วไม่ได้แบกไม่ได้พา อะไรครับรีสโกฮาอาหารหรือว่าเสะเบียงแพะมันเคยพาอาหารติดตัวไหมควายพายาติดตัวไหมเห็นไหมนี่อลัลลอฮฺสอนนักบุญกุนาร์ให้เตือนให้เราค่าใช้ปัญญาเออแพะแกะวัวควายเป็ดไก่ไม่เคยพาอาหารไม่เคยหิ้วอาหารติดตัว แล้วก็อัลลอฮฺยารุสกูฮ์อัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ประทานเครื่องยังชีพให้อัลลอฮ์อักวัตอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานเครื่องยังชีพ ใ, ให้แก่มัน่นให้กั่ทุกรายการนั่นแหละว่าอียะกุมไอ้สาบคำหลังนี่นะสำคัญนะโดยเฉพาะพวกคุณโดยเฉพาะมนุษย์ ฉันดูแลเป็นพิเศษเลยเห็นอย่างเห็นอย่างครับแล้วกลัวตายอ่ะกลัวจนน่ะมนุษย์นี่ยกลัวไม่กลัวส่วนใหญ่กลัวหมดโอ้โหจะให้ลูกเรียนหนังสื อ, อโอ้โหต้งเรียต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเยอะตายจริงเว้ยไม่ให้ดีกว่าแต่บางคนเอา้าสู้สู้สู้ขอบริจาคหน่อยโอ้โหขอบริจาคอีกแล้วพอบริจาคมันก็ยุบนะสิ นตรงนี้อาญานี้เตือนนะว่าอียาคุมโดยเฉพาะพวกคุณทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลพิเศษเลยในเรื่องรีสกีนะขนาดแพะแกะวัวควายอัลลอฮ์ไม่เคยให้มันดิ้นตายสักตัวหนึ่งแล้วก็ไม่มีอาหารติดติดอะไรนะติดมือไปไม่มีสะเบียงติดตัวไปไม่ได้หิวติดตัวไปมีสัตว์ตัวไหนบ้างที่บ่นว่ากูหิวมีไหมไม่มีครับอัลลอฮ์ดูแลหมดเลย วัยยะกุ้มโดยเฉพาะพวกท่านทั้งหลายทุกคนเนี่ยเอาเราดูแลเป็นพษษษิเศษเป็นอย่างรครับนี่ถ้าเราเข้าใจกุาณานเข้าใจนี่แต่ละคํานะอียะกุ้มไปไว้นะเฉพาะท่านอืมในตัปซิทอธิบายบอกว่ามีสัตว์อยู่สามประเภทที่ชอบกักตุน <c oughs> มีอยู่สามรายการที่ชอบชอบกักตุ น, นทั้งทั้งที่ ส่วนใหญ่นี่นะอัลลอฮไม่ให้ไม่้พาอาหารเลยนะไม่ต้องพาสเสบียงติดมา้าติดมือไปเลยแต่มีอยู่สามรายการที่ชอบกักตุนต้องทายใชอะไรบ้างหนึ่งคน <c ười> คนนี่แหละตัวแซบ <c ười> ชอบกักตุนอาหารใช่ไหมนี่ดีว่าสายการบินเนี่ยเนะวลาไปทำฮายีนเนี่ยก็ให้พากี่ ก, กโล ยี่สิบกิโลใช่ไหมอ้ามีเส้นเ้าก็สามสิบอ้าไปวิ่งที่สนามบินอ่าสามสิบห้ากว่ากันไปใช่ไหมล่ะก็ให้พาได้เล็กน้อยพาอะไรพาสบียมีเสื้อมังบูดูทอดกะปินุ่นอะไรท่าอะไรอล๋อที่พาไปแค่นั้นแหละนี่มนุษย์ชอบสะสมแล้วก็สองหนูผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่า ว่าสัตว์ีนยู่ามรายการที่ชอบสะสมหนึ่งคนสองหนูหนูเอาสะสมอาหารวัติหารรู้ไหมในรูข้ามาน่ะที่มันวิ่งวิ่งวิ่ ง, งหาอาหารนี่น่ะมันเอาใบแกวไว้ในรูด้วยนะแล้วก็มดอ่ามดหนึ่งอินอิบอิอิ บ, อ บ, อ บ, อบนอาดามสองอัลฟารูาม อันน้ำลูมดสามรายการเนี่ยชอบสะสมอาหารเอาไว้ในรูของมันทีนี้มดเนี่ยนี่ตับสินอธิบายหมดเลยนะมดเนี่ยนะมันหากินในเวลาฤดูร้อนเพรอฤะะดูหนาวนี่นะมดไม่ออกหากินอาหารพวกมันที่มันสะสมมาจากฤดูร้อนเนี่ยนะอยู่ในรูพอกินเลย แต่มีอีกาอีกประเภทหนึ่งนะทับซีล อ, อ, อีกเล่มหนึ่งอธิบายว่าอีกาเนี่ยก็ชอบสะสมเหมือนกันแต่พราสาโปรซาลืมเขาจะว่าภาษดุวากา ว, ว่ามันสะสมไว้แตนะ่มันลืมแต่คนอื่นไปกินหมดตกลงมัมีสัตว์อยู่กี่ประเภทนะที่ชอบสะสมหนึ่งคนสองมดสามหนู ต่นี้คนเนี่ยสะสมอาหารเยอะๆเนี่ยดีหรือไม่ดีพอมาถามนาบีมุฮัมมัดนบีอธิบายเลยอย่าสะสมเยอะเอาลอต้เย็นเราเนี่ยกินด้เป็นอาทิตย์ใช่ไ้มเปิดไปเนี่ยโอ้โหทงอะไรตอะไรเกี่ยวในตู้เย็ น, นกินเป็นอาทิตย์นะพอนมามัตเอาลอจะขอเพิ่มดีหน่อยได้ไหมอาหารน้อยไปกลัวจะ กลัวกมันจะจนน่ะกลัวมันจะหิวอ่ะรอเงินก็ฝฟาธานาคารนออัลลอจะขอเพิ่มอีกหน่อยนี่มนุษย์ฉะนั้นมนุษย์ที่มีอีมานมีตักวามียากีนินมีอิยาศาสมีอิคราสมีสุนนะนาบีมีกุรานเขาจะไม่หลงวัตถุเห็นอย่างรับนาบีเนี่ยที่อัลลอฮฺทรงนาบีมาเนี่ยถาม ไซนาอุมัดไซนาอุมัดเน่ตอนตอนตอนแก่นะก่อนก่อนตายเนี่ยมีคนมาเยี่ยมที่บ้านบอกว่าไซนาอุมัดเปลี่ยนนิสัยใหม่เึอเหมืนก็ตําหนิว่าเดินตามแต่ น, บ, น, บ, นบีนบะีนบีเน่ยต้องอยู่แบบอิสระบ้างกินตามใจชอบบ้างทําอะไรก็ทําไปเถอะแบบชีวิตเก่าๆฮะไซนาอุมัดตอบ่ายังไงรู้ไหมฉันจําได้นะ ท่านนาบีนี่นไม่เคยทานอาหารวันหนึ่งสองมื้อเห็นอย่างไซนอมัดเห็นชีวิตนบีอยู่เนี่ยวันหนึ่งไม่เคยทานอาหารสองมื้อติดต่อกันถ้าทานตอนเช้าแล้วตอนเย็นนบีจะจะไม่ได้ทานถ้าทานตอนเย็นวันนี้นะผู้นี้เช้าไม่ได้ทานนั่นชีวิตของนบีมุฮัมมัดสุลลัลอิบริษัลละม ท่านนาบีบ้านนาบีไม่คือบางบางค้างนะไฟไม่ไม่ได้จุดไฟเลยเพื่อหุงอาหารนะสามเดือนฉันจำเหตุการณ์ได้ทั้งหมดแล้วคุณมาบอกฉันให้ทิ้งนู่นทิ้งนี่ให้ทำนู่นทานี่แล้วสั่งอะไรามาให้หาคนชายสักคนหนึ่งและมีอยู่ครั้งหนึ่งเซนาอุมัดเล่าเองนะลูกสาวฉันนะครับซ่อเนี่ย แต่งงานกับท่านนาบีหลังจากนาบีตายไปแล้วนี่นะก็จัดอาหารมาไว้บนโต๊ะที่บ้านมีมีโต๊ะนะมาจัดอาหารไว้บนโต๊ะนบีเข้ามาเยี่ยมพอดีนบีใบหน้าไม่ไม่ค่อยพอใจพวกนบีก็เดินมาก็เอาอาหารเนี่ยมาวางไว้ที่พื้นแล้วเอาผ้ามาปูแล้วก็นั่งทานอาหารกันที่พื้น ฉันน้อมัฉันจำเหตุการณ์ได้ทั้งหมดคุณมาบอกฉันให้มีนั่นมีนี่มีนี่มีนั่นฉันไม่เอาแล้วครับฉันจะปฏิบัติตามนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยยุสซาลลัมเห็นอย่างครับฉะ น, นั้นนบีไม่เคยไม่เคยสะสมอาหารถ้าจะสะสมได้ไหมอัลลอฮ์จะเอาแพ้สักกี่ตัวจะเอาอูดสักกี่ตัวนบีสั่งได้ไหมทุกคนรักนบีมดหนะัมม แต่นบีไม่เคยสะสมวันแต่งงานนบีแต่งงานลูกสาวนบีถ้าจะเชิญคนเป็นพันเนี่ยได้ไหมเอาแพรมาสักร้อยตัวเนี่ยได้ไหมได้ทั้งหมดแต่นบีไม่เคยทำนบีต้องการจะทำให้เป็นแบบง่ายๆนิก้าแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนซีนาะมันไ ม, ม่มีนอยู่ตรงนี้ต่างหากพีทั้ททงหลายรับฉะนั้นคนที่สะสมเอาพูดพวกเรานะ คนที่สะสมนั้นไม่ตามทาตัวเหมือนอะไรอสรุปเหมือนมดหรือไม่ก็เหมือนหนูแสบไม่ะ น, ตตนี่มาด้ตำหนิใครน้าเล่าให้ฟังอ่าไม่มีปัญหาหรอกฉะนั้นเวลาเรื่องบริจาค ก, กลัวกันหมดนะ่ะกลัวบริจาคนะ่ะอฉะนั้นถ้าอ่านกุรอ่านอายานี่เห็นอย่างครับอัลลอฮ์ว่กากาอิมินดาบะ และจะหำให้รูริสก์าและสัตว์ตั้งกี่ชนิดที่ไม่ได้แบกสเสบียงของมันที่มันไม่ได้หิ้วสเสบียงที่ไม่ได้แบกสเสบียงของมันติดตัวไปนะไปไหนมาไหนไม่เคยพาสเสบียงเลยมนุษย์ก็เหมือนกันไม่ค่อยได้พาสเสบียงเท่าไหร่รอบแต่บางคนเนี่ยโอ้โ ห, โหนี่พูดถึงบางคนนะละจะทำให้รูริสก์วา มิได้แบกสเสบียงของมันอัลลอฮฺฮุยลุซูคุฮฺอัลลอะฺหากเป็นผู้ประทานเครื่องยังชีพให้แก่มันเห็นไหมสังเกตถ้าสังเกตจะเห็น إ ي มันมันจะเพิ่มทันทีวาอียาคุมโดยเฉพาะแก่สูเจ้าทำไมมันเน้นวา um อียาคุมล่ะเพราะมนุษย์เนี่ยมันกลัว ต่านี้พออ่านกลัอ่านแล้วกลัวมั้ยอัลฮัมมุลเลลและสบายใจยอิหม่านมันก็เพิ่มขึ้นอัลฮัมบออียะกุ่มใช่ไหมเฉพาะสูเจ้านี่เราดูแลเป็นพิเศษเลยวะหุวาสซามีอุลอาลีมและอัลลอฮ์นั้นมีสิทธิลักษณะอัลลอฮ์มีอะไรบ้างมีทั้งหมด99พระนามนะแต่เล่าแค่สองสมียะไปด้วยละสองดียินแล้วก็ อัลีมุลทรงรู้อัลฮัมดุลิละนะกับนี่เราให้เราสบายใจที่ในฐานว่ากลางวันกลางคืนที่เรา น, นมาัสกาเราขออะไรอัลลอฮ์รู้ไหมรู้นะกันเราคนที่กลัวว่าตัวเองจะจ ะ, จะจนจนละลำบากอัลลอฮ์รู้ไหมรู้อย่างนี้มาต้นอัลีมุา ม, มีฉะนั้นรีสกีของอาลานะัลลอฮ์นั้นอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้เยอะไหมเยอะมากเลยนบีก็สอนต่อไปอีกก่อนตายนาบีสอนอย่างงี้ ในการแสวงหาฤสกีของอัลลอฮ์ในเต็มสุดกูกรตับีอธิบายบอกว่าถ้าหากมนุษย์นี่นะมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์เหมือนกับนกอ่าเหมือนกับไรนะอาต่อยรืเหมือนกับนกสเกตนกเนี่ยไม่มีอาหารกักตุนเอาไว้นะไม่เหมือนหนูนะหนูมันกักมดมันกักคนนี่กักอัลลอฮ์ Allah ก็เตือนนะนบีผ่านนบีดูนกเนี่ย มันไม่มีอาหารกักตุนเอาไว้นะมันบินออกจากไปตอนเช้าออกจากรังท้องว่าพอกลับมาอิ่มริสกีอยู่ที่ไหนครับท่านถ้าเราไว้วางใจต่ออัลลอฮ์แบบนกอัลฮัมดุลิลละตวการสูงมอบหมายตนต่ออัลลอ์จึงใหญ่เหลือเกินนะครับอ้อัลฮัมดุลิลลทีนี้อัลลอฮ์เนี่ยทงได้ยินได้ยินอะไร ยิงว่าเขาพูดอะไรมนุษย์คิดอะไรอัลลอฮ์รู้หมดนะครับจะสนทนากับใครหรือขอดูอาอะไรอัลลอฮ์รู้หมดเลยจากนั้นเวลาพูดก็ต้องพูดดีๆเพราะนาบีเนี่ยสุนัขนาบีไม่เคยทะเลาะ ก, กับสววุภาพบ้านบีไม่เคยทะเลาะ ก, กับภรรยานาบีไม่เคยทะเลาะ ก, กับลูกๆและนบีไม่เคยนั่งเตะท่าด้วย น, นี่อัคลาของนบีอัลลอฮ์สังเกตหมดอัลลอฮ์รู้หมดเลยสอนในมุสลิมในพายามยึด สุน나ของท่านนบีเยอะๆไปน้องอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับไปน้องต่อมาครับอายาที่เท่าไรนะอายาที่ี่หกหกอวะลาอินซาลท้ฮุมมันคาลกัสซามาวะติวล وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَقُولُنَ ّ اللَّهُ فَأَنَا ّ ي ُ ف ْ ع َ ل ُ و ن َ و َ ل َ ئ ِ ن سَأَلْتَهُمْ م َ ن ْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ ّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَقُولُنَ ّ اللَّهُ ว่า <ون> อันยุฟักุนล่าม د ุลิลละอ๋อขยานี่เป็นมาพูดเรื่องอักดีอาขยานี้พูดเรื่องอักดีดาอัลลอฮ์เล่าให้ท่านนาบีมูฮัมหมัดฟังอังกดีดาของคนมุสริกีในนครมักกะกับอักดีดาของคนไทยเ อ, เ, อเอาเอปรียบง่าย ๆ, ๆนะ อกคดีาของคนมุชริกในนครมักกะวันที่นบี ม, มาสอนอิสลามนี่ยนะพวกนี้เชื่อว่าอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินแล้วก็เชื่อว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยใครสร้างอลัลล์เป็นมุสลิมยังถ้าเชื่อว่าอลัลลอฮ์น่สร้างจั ก, กรวาลดกตัวอย่างนะสั่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้ากลางคืน ส้างมนุษย์แลสัางนูนส้างนี้เป็นมุสลิมยังยังครับยังขาดอีกสอง <c oughs> พะคนจะรู้จักอัลลอ์ได้ต้องมีสามสิฝาดนาต้องมีสามต้องมองอัลลอ์เป็นสามรายการใหญ่ๆนะหนึ่งอัลลอ์เป็นผู้สร้างทั้งหมดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนมนุษย์แล้วก็อนิเมลสัตว์ทุกชนิดที่อัลลอ์สร้างมานี่ ถ้ายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นมุสลิมยังยังครับแต่ต้องยอมรับอีกอย่างนึ่งจะไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คนอาราบมุสลิกเนี่ยมันเชื่ออัลลอฮ์นะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่เวลามันขอขอจขากใครขอจากอัลลอฮ์ด้วยขอจากสิ่งอื่นด้วยเห็นยังขอจะรูปปั้น จากพวกเราวันนี้ขอจะรอลลด้วยเพื่อเพไปหาโตตะเกียอีกแล้วขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไปหาหมอดูอีกนี่ชริกทั้งหมดนี่นะฉันคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องรู้จักอัลลอฮ์ในสามในสิ่งสามรายการหนึ่งยอมรับให้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างยังไม่พอนะต้องต้องกล่าวว่าไงนะเลออิเลาะฮออัลลอฮ ฉันจะไม่เคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อันที่3าสิฟัตอัลลอฮ์มีอยู่เท่าไหร่อีก99พระนามเซตนาบีสอนบอกว่าอินนลิลล่าฮิติสอาตันวะติสไนนาอิสมันเขาเรียกว่าตาให้ฟิสฟิสฟิสิฟาตนะพระนามของอัลลอฮ์มีทั้งหมด99พระนามมันฮาฟิซะฮะใครที่ท่องจำ ตอนนี้เด็กๆรุ่นใหม่ท่องจำกันหมดแล้วลามจเียแล้วนะแต่เด็กไม่รู้ความหมายเราต้องผู้ใหญ่ก็ต้องแนะนำใครที่ท่องจำสิฟงตอัลลอฮ์99พระนามเนี่ยดาคนละจันนะเขาได้ไปสวรรค์อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์วิทรุนอยู่ให้บุญวิทรออัลลอ์เนี่ยชอบวิเต็ตชอบเลขคี่นะครับอัลลอ์เนี่ย เป็นอะไรนะเป็นเลขที่เป็นจํานวนที่และอัลลอฮ์ชอบเลขที่เพราะฉะนั้นคนอาราบวันนั้นเนะี่ยยอมรับให้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอย่างเดียวแต่อีก่สองอย่างผู้นี้ไม่ยอมรับฉะนั้นอะไรบ้างอัลลอฮ์เนี่ยต้องไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และุตาลาถึงจะเป็นมุสลิมได้ยังไม่พอเองสิ่งศอัลลอฮ์มีเท่าไรเ9้าสิพนามต้องยอมรับอีก่สองอย่าง แต่ในบ้านเราเนี่ยคนไทยนะยอมรับว่าเราเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าเป็นดินไม่ยอมรับว่าไงถึงไหมธรรมชาติสร้างหนักกว่าคนมุชลิกในอาดับใช่หรือไม่ใช่ใชท่านพวกเราจะทําง า, ศ า, ศานสากนาต้องเหนื่อยนะเหนื่อยมากกว่าสุนทรเหนื่อยกับนบีเหมยกับซาบานนบีเหนื่อยมากกว่าเพราะอะไรอาคิดดัง เห็นยังครับนี่พุทกุฎอ่านอธิบายติตริปัญญาเรามาเลยโอ้ใช่ขนาดยอมรับพระองค์ลลอ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินยังไม่พออัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนต่ออีกเองเข้าใจผิดต้องมีอีกสองข้ออีกล้อิลลฮ์อิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข้อที่สามสิบแปอัลลอ์มีเท่าไรเาสิบาพระนามเห็นอย่างการที่มาตามมาเต็มเลยครับ ทนพวกพวกคอนอาดัปนโมชลิกีนที่นั่นในนครมากาเนี่ยมันตะวารบอย่างอื่นอีกอย่างที่โต๊ะตเกียร์ตวารอะไรตวารบโธะตะเกียใช่ไหมจะรอบคนทะ่เจ็รอบแปดรอบเหมือนกันนั่นแหละผิษไหมผิดอย่างแรงเลยนั่นแหะแล้วไปอะไรไปขออนุา จ, จากสิ่งอื่นผิดหมดเลยฉะนั้นนับดุเลยสอนนะ เรื่องมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์นะคือเรื่าเตาเฮต ฟ, ฟิลฟิลไอบาดาส์นี่นะเวลารักต้องรักเพื่ออัลลอฮ์นะเวลาโกรธต้องโกรธเพื่ออัลลอฮ์นะเวลาไม่พอพอใจต้องพอใจเพื่ออัลลอฮ์นะเวลามอบหมายตนต่อเม่อมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์นะทํากุศลบาตรต้องเพื่ออัลลอฮ์นะแต่เรื่องรักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้อาอัลลอฮ์เท่าไหร่ เพราะอารมณ์มันถูกใจแล้วไม่เอาแล้วอาลมอัลลอฮ์ไม่เอาฉะนั้นต้องนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเลยนะครับเอาดูกุรานนะว่าเลออินซาลตาฮุมและถ้าอินมีปวเป็นคำถามนะอินอินแต่ถ้าหากซาลตะฮุมท่านเมื่อท่านอเบหมฮามาถามพวกเขา มันคอลกอสมาวัติวัลอัผู้ใดเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายอัลอาดูและแผ่นดินถ้าถามคนอาหรับมุสลิมในนครมะกาเมื่อหงพันสี่ร้อยปีที่แล้วเนี่ยอลลอบอกให้นาบีไปถามคนเหล่านั้นดูว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินวัสก์คอร์ชัมซาวลกอมัดแล้วก็ผู้ทำให้ดวงอะไรนะ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซักรอบเป็นประโยชน์ให้แดดออกมาเป็นประโยชน์เนี่ยใครเป็นคนทำลยายกุลนาลาอพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าจะตอบว่าอัลลอ์จะกล่าวว่างนะอัาลลอ์ อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินอัลลอฮ์ให้ดวงอาทิตย์มาให้แสงออกมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นี่ได้รัศมีจากดวงอาทิตย์อัลลอ์จัดหมดเขารู้ไหมรู้แต่ทำไมอัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนต่ออีล่ะฝนนายุฝากูและพวกเขาเหล่านั้นจะหันไปทางไหนสแสดงว่าเองยังขาดอยูสองข้อนะ ไปกราบเิิงอื่นนอกจากอัลลอฮ์ผิดอย่างแรงเลยในี่วันนี้พี่น้องมุสลิมเราก็ท่านเข้าใจดีๆนะมันมีสุนนะนบีกับประเพณีปฏิบัติเรื่องนี้พี่น้องพูดเยอะกับเครื่องนะนะยึดประเพณีปฏิบัตินี่มากกว่าสุนนะนบีใช่หรือไม่ใช่ แต่นี้มันเบาไปเยอะแล้วนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะแต่งงานเนี่ยต้องมีไมโครโฟนแล้วก็เปิดเพลงอัลลอฮ์ฟังไม่ได้พวกเราเน่ยแต่ก็เค็่นี่แหละเพลงพี่เบิร์ตบางอะไรบางเปิดร่มแล้วก็มีหูงข้าหูงปลากันไปนองเอาประเพณีปฏิบัตินะคนหูงข้าหูงปลาไม่ได้นามาตุกสักคนหนึงใช่หรือไม่ใช่ แล้วก็ต่อมาเราก็ค่อยเปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้นะ่ะถูกโจมตีถูกดา่าเราก็ต้องอดทนกันต่อไปฉะนั้นประเภณนี้ปฏิบัติกับสุนนะนบีเนี่ยมันมาอย่างนี้กันแหละคู่กันเลยนะท่านคนที่ยึดประเภณนี้ปฏิบัตินี่นะเขาก็อ้างปู่ย่าตายายจะทิ้งปู่ย่าตายายทำไมทําไมไม่ยึดปู่ย่าตายายบ้างเอาแต่สุนนะนบีอย่างเดียวมันพอเหรอเนี่ยอันตราย อพี่น้องตกลงว่าคนที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องมีอัีติดาเกี่ยวกับอัลลอฮ์กี่รายการนะสมรายการหนึ่งต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์น่ะมีองค์เดียวนะอัลลอฮ์มีลูกไหมไม่มีมีภรรยาไหมไม่มีและไม่มีอะไรเหมือนอ AH, ัลลอฮ์ก็เรียก ว, ว่าเตาฮีตฟิซลาดสองเตาฮีตฟิลฟิลฟิลไอบดะดาจะไปก้มกราบสิ่งอื่น ไม่ได้อย่างเด็ดขาดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวข้อที่สามเตาเฮดฟิสฟิซฟาดอัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลจะเพียงผู้เดียวนะให้เป็นให้ตายให้รวยให้จนแล้วก็ให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้หายป่วยให้คนนี้สูงขึ้นให้คนนี้ต่าลงให้คนนี้ลำบากให้คนนี้สบายอัลลอฮ์รับผิดชอบจะเพียงผู้เดียวต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับเอาต่อมาอายาที่62องอายาสุดท้าย الله h u ya b a s u t ل r rizqalim ya s h ويقدروا له إن الله بكل شيء عليم a l l a ي ب ya ا ل ر u t u r rizqalim ya s h و ي ق د ر له อินนัลลอฮะ بكل شيء عليم อายานี้คนมุสลิมเนี่ยตำหนิตำหนินบีมุัม m m a d บันตำหนิบรรดาสัฮาบานบีว่าถ้าหากศาสนาอิสลามเนี่ยดีจริง มุสลิมต้องรวยหมดถ้าหากอิสลามเป็นศาสนาที่เที่ยงแท้มาจากอัลลอฮ์จริงๆแล้วนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีจริงต้องรว ย, ยทีนี้ชาวบ้านนบีบางคนจะจนใช่ไหมเช่นสซยนาบิล่านเนี่ยมารับอิสลามเนี่ยจนรวย แค่นี้พวกมุชสถิเียนพวกก็มองดูอ๋มอมามาดมาสอนให้อีมานต่อลอดอิหมานต่อรอดซุนอีมานประชันนี่เป็นนบีนะอัลลอ์านั้นอัลลอฮ์อย่างนี้แล้วซาบานอบีบางคนจนมีคนรวยก็มีใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่มันก็จนนะเขาก็ตำหนิว่าถ้ า, าศาสนาอิสลามดีมันก็ต้องรวยหมดเลยนี่บอกกับ น, นบีคุยให้นบีฟังอัลล์ก็ ตอบในคัมภีร์คุรานไอความรวยความจนน่ะเป็นหน้าที่ของใครมันของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของนบีนบีมีหน้าที่ทำอะไรมาสอนอิสลามอย่างเดียวเดินอย่างนี้นะคิดแบบนี้นะปฏิบัติแบบนี้นะ mm hmm. อัลลอฮ์จะพอใจนะไอเรื่องรวยจนน่ะเป็นหน้าที่ของใครของอัลลอฮ์เพราะสิฟัดอัลลอฮ์มีเท่าไหร่เกิบเพระนามใช่ไมหนึ่ง ใน99คือให้จนให้รวยให้เป็นให้ตายเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ไม่ใช่หน้าที่ของนบีมุฮัมมัสสดสุลลัลอะลัยวะสัลลัมต้องแยกให้ออกอ่ะดูครับอัลลอฮุยับบุสตุริสกอลิมัยอัชยับบุสตุนี่แปลว่าแผ่ให้อย่างแผ่ให้เลยบาซาตเอแปลว่าแผ่มืออ้าวยิบจิบ นี่แสดงว่าอัลลอฮ์ตาลาลนะอัลลอ์น่ะมีความสามารถที่จะให้ริสกีลีมายาชะแก่ผู้ที่อัลลอฮ์สงประสงค์มิในบาดีจากบาวของอัลลอฮ์เองมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้เป็นบาวอัลลอฮ์หมดเลยนะจะนั่นจะให้ใครรวยบาสอัลลอหมายถึงแผ่ให้อย่างอย่างเยอะๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ไม่ใช่หน้าที่ของนบี น บ, บีมาสอนแต่อัลลอฮ์เป็นผู้บริหารโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นที่อัลลอฮ์ไม่ได้ไหมายไม่ได้ไหมายความว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วอัลลอ์จะจะให้รวยหมดไม่ใช่นะคนที่เป็นมุสลิมจนมีไหมมีอย่างสคกอะสดา บ, บิลานแล้วก็อบุูฮุรัยระใช่ไหม ที่มารับอิสลามที่มาต่อเพลิงอยู่กับนบีนะใช่ไมบางทีท่านก็หน้ามืดไม่มีอาหารกินนบีเองก็ทำเป็นแบบมาไห้นบีไม่สาสมทรัพย์แต่เงินนบมีไหมมีพยานาบีรวยหรือจนรวยแต่นบีไม่เคยสาสมทรัพย์สอนให้รูอ้อะเพราะฉะนั้นอลัลลอ์จะให้ใครรวยได้ไหมได้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นมุสลิมถึงจะรวยไม่ใช่ อัลลอฮ์จะให้ใครรวยถึงไม่มีศาสนาก็ได้ไหมได้ท่า น, นต้องไว้วางใจในอัลลอฮ์สุภาโูวาจ่าเอาคนที่ร่ํารวยที่ที่ไม่เอาอิสลามมีหรือไม่มีเอาฟาโร่รวยไหมรวยลูกน้องฟาโร่กอรูนรวยหรือไม่รวยรวยหามานรวยหรือไม่รวยรวยจะเป็นไง พอรวยไม่มีศาสนาแล้วเป็นไงเสียคนหรือว่าดีเสียหมดเลยเห็นไหมกอรูมีอำนาจไอ้ไม่ใช่มีมีเงินแล้วผู้จาเป็นยังไงแต่งตัวเป็นยังไงตะคับบุ๊บ ย, ย่อยิงจังหองแล้วเป็นไงครับน บ, บี ม, มูซามาสอนอลัลลอฮ์มันไสให้แผ่นดินสูบอ้ตอนสูบมาถึงคอเนี่ยแผ่นดินสูบกอรูเรียกมูซ่าช่วยหน่อย เรียกผิดจะเรียกถูกเรียกผิดไปเรียกคนคนคนที่ให้สู่ผู้ที่ให้สู่คือใครอล๋ลเหอแต่ไปเรียกผิดเน่ยมูซาช่วยหน่อยแต่มูซา ก, ก็เป็นน้องเคยแต่งกับพี่สาวนบีมูซาก็รุ่นอยากพี่นองกันเห็นยังครับนั่นแหะทุกวันนี้คนที่ขวางโ น, น่านาบีพวกไอ้เต้พว ก, อ, อ, วพวกอจิพวกเต เขาจะคนอื่นหรอทำไมเราต้องนึกเยอะนะอัลลอบมีอยู่คนวนโทรศัพท์มาผมเริ่มเรียนซุนนะเรียนนี่ละเรียนอกุรอานเรียนฮะ ด, ดีตมาเรียนย น, นะชาวบ้านเริ่มเริ่มคมเมนแล้วอันนี้นำความแตกแยกมาเรียนศาสนาไม่ได้อัลล ถ้าอยู่เฉยๆเป็นพวกกนันพวกเดียวกันทหันมาเรียนป้ามเอาแหละเองนี่นั่งความแตกแยกมาหาแล้วอัลลอฮฺยอบูสุตุริสุกัลิมัยยะชะอุมินไอบะดีนี่ยอัลลอฮ์เออยอะไรก่อนเออยจนก่อนหรือเออยเออยรวยก่อนเออยรวยก่อนเห็นไหมจะให้เรารวยกว่านี้ได้ไหมได้อยู่ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่อัลลอ์ก็รู้ถ้าให้รวยกว่านี้ละเสียคนทุกทีอัลลอฮอักบรหลายคนเนี่ยตอนจนๆมามัสยิดใช่ไหมในสมัยนบีก็มีคนหนึกันน่ะยิงแพะใช่ไหมเื่อท่านอะไรผมเริ่มชื่อไปแล้วมานมากับท่านนาบีเลยวันหนึ่งห้าเวลาก็มาหานาบีนบีจฉันอยากจะรวยนบีว่าอยู่อย่างนี้และดีแล้ว มาหานาบีบ่อย嘛นบีก็ขอดุงอาพอขอปั๊บเนี่ก็ทิสกีมันก็เพิ่มขึ้นแพนะอลลอข้อเทีมสองตัวกลายเป็นสี่ตัวห้าตัวนะแล้วก็ทองเทียมโอ้โหทีละร้อยตัวนพอรวยเพิ่มขึ้นเนี่ยหายหน้าซุโบก็ขาดดุฮดก็ใหม่มาบ้างกาเหลือแต่วันศุกร์ พอรวยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันสุขก็หายนาบีถามว่าคนที่หายไปไหนก็บอกอยู่กับแพ้ก็แพ้มันเยอะขึ้นน่ะก็ต้องย้ายไปอยู่นอกเมืองย่าไปไกลไกลจนทั้งมาโ่เราไม่ได้อะเป็นอย่างครับไอ้นํามาเนี่เป็นเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวที่นํามัวเองมีศาสนาไม่มีศาสนาอยู่ที่นามานะไม่มามาสยิดเ ทราบข่าวว่ารวยเยอะนับเบีก็สรงอัลลอฮวาฮิลงอิสลามมาบอกว่าให้ไปขอะกาดไปเก็บสากาัดพอทรงคนไปเก็บสกาดปักนั้นแหละพูดยังไงรู้ไหมสกาดไม่มีครับแพ้นี้นะของลูกพันตัวของนี่น้องลูกสาวอีกพันตัวของคนนี้ของฉันมีเล็กๆแน้นอนของครอบครัวหมดเลยของอัลลอฮไม่มี เมื่อสิบปีที่แล้วนะมาหานาบีมาขอดวอาให้นบีขอดวงอาให้ฉันรวยหน่อยฉันจะบริจาคฉันจะดูแลศสาสนาของัลลอฮ์พอให้แล้วลืมอัลลอฮ์เลยสั่งเลยนบีสั่งว่าห้ามเก็บสกา b คนคนนี้พอรู้ข่าวว่านบีไม่อัลลอฮ์สั่งไม่ให้เก็บสกา b นบีไม่เก็บสกา b แล้วมหานบีนบีไม่รับพอนบีตายเสนาอุมัดเสนาบูบาเป็นกอลิฟามหาท่านอบูบากอับูบากก็ไม่รับ สซนาอุมัตก็ไม่รับกลัวอะสิทนนี่ไม่มีใครกล้ารับอ Allah าา่ะเพราะอัลลอฮ์สั่งไม่ให้รับอ่ะไหมนี่เ็าเรียก ม, มุนาฟิกเพราะฉะนั้นเวลาอัลลอ์ให้ริสกีแล้วอย่าลืมบินน้องนี่เตือนนอะัลลอฮ์เตือนในกาบเปียกุนารฉะนั้นอัลลอฮุยบสุตุริสกอลิไมยะชะอุมินอิบะดีอัลลอฮ์จะให้ใครร่บรวยได้ไหมได้แต่นี้รับรวยจะเป็นยังไงดูตัวอย่างอัมดุรมานบินอ้า เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งจากนครมากาักกะไปอยู่ที่นครมาดินะร่ำรวยคืองี้นบีเนี่ยจับไซนาอุรมาบินอวกับท่านซัสเนี่ยจับคู่กันให้คนรวยอยู่กับคนจนคนรวยอยู่กับคนจนให้ดูแลกันนะท่านเสนอสามเรื่องฉันมีบ้านสองหลังท่านเอาไปหนึ่งหลังฉันมีสวนอินทรพลาม สองสวนคุณเอาไปสวนหนึ่งทันมีภรรยาสองคนคุณเลือกเอาไปคนหนึ่งโอ้โหเสนอภรรยาให้นักเทดูยิท่านอดุดรมานินเป็นเอาคุณไงรู้ไหมบารกาักอัลลอฮุลละกะ้ฟิอาลิกะวามาลิกะขอให้เงินทรัพย์สินครอบครัวคุณมีบริกัรฉันไม่เอาอะไรเลยดุลูนียละสูพาฉันไปตลาดอย่างเดียว สะอาดพาดุรมานไปตลาดพอเห็นตลาดภาพฉันมีเขาเรียกไอเดียเก็ดไอเดียแล้วฉันทําธุรกิจได้แล้วทําธุรกิจไม่กี่ปีมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินรีสกิเยอะมากวันแต่งงานเนี่ยไม่ได้บอกนะบีเห็นยังครับแล้วคนมักกะไปอยู่ที่นครนะไปนั่งปาร์กันแค่สิบครอบครัวสาสิบครอบครัวยี่สิบครอบครัวเท่านั้นเองเวลาจานิก้าเนี่ยไม่บวชหัวหน้า นบีมาเห็นตอนเช้าเห็นนิกายแล้วนบีไม่ได้โมโหนะนบีไม่ได้โกรธนะนบีขอมาเบารกรลอหุลข์ขอให้คุณมีบรารักัดในชีวิตหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยอุลามะเข้ามา อ, อาธิบายต่อเนี่ยพวกเราสมัยนี้นะ่ะตําหนิคนที่แต่งงานไม่ได้เชิญไม่เชิญกูบ้างกูกินไม่เยอะนะกินจานเดียวก็อิ่มแล้วนบีห้ามตําหนิ ถ้าเขาไม่เชื่องมาเรื่องของเขานไะงเรามีหน้าที่จะขอทูอาให้ก็แล้วกันอโดรมานเนี่ยมามาฎนะไม่ทิ้งมัสยิดนั่นเป็นบุคคลตัวอย่างที่ร่ำรวยแล้วไม่ลืมอิสลามไม่ลืมอัลลอฮ์ไม่ลืมมัสยิดของอัลลอฮ์เป็นอย่างครับเนี่คนอย่างงี้เนี่ยเขาเรียกว่าตายพร้อมที่จะตายใช่ไหมทำพร้อมที่จะตายจตลอดเวล้เอาต่อมาครับวายักดีรูละแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยให้ คับแคบให้ริสกีน้อยให้เงินน้อยที่แรกให้รวยก่อนแล้วก็ต่อมาจะให้ใครน้อยก็ได้เป็นสิทธิของอัลลอฮ์สุบฮานะหุะตะละเราต้องพอใจนะที่เรามีริสกีขนาดนี้อัลลอฮ์กำหนดมาอัลลอฮ์ทด้วยลขอบคุณอัลลอ์พี่น้องเอาต่อมาครับอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอ์นั้นบิคุลิชาอินอาลีมอาลีมเบวารู้ บิกยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดเลยนี่เตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกเรื่องอาคีดาขยะที่ผ่านมาอัลลอฮ์ทรงอะไรนะทรงได้ยินอ่าแล้วก็ทรงอะรทรงรอบรู้ก็นี่อีกอัลลอฮ์อะไรนะทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องอาคีดาหมดเลยครับตกลงว่าริสกอีอยู่ในอนยู่ในอำนาจของใครอำนาจของอัลลอฮ์ถ้าต้องการเยอะก็ขอสิ แต่ลุกขึ้นแต่หาโยนนะขอดีที่สุดเลยนะขอให้ร่ารวยก็ขอไปที่ปัญหาว่ารวยแล้วทาตัวยังไงอ่ะทาตัวแบบสหบาลนบีหลายคนนะครับอดุรมานบินเอาเป็นกรณีตัวอย่างไองครับหมดเวลานะลลอฮุมะบิฮัมดกลลลิละอันตะอัตักรกวะตบไลฟ์ลัลลอฮุะลามุฮัมมัดวะลาอลีฮิวฮิอัจมาอิน